แเรามืนั่งฟังเนี่ยในสิ่งที่มานำเสนอถูกต้องทั้งหมดแต่เรารับไม่ได้ก็ถือว่าเราตายแล้วเหมือนกันก็มันนึกถึงเพื่อนเอออีกห้าท่านเนี่ยเคยอยู่ด้วยกันเพราะตอนเราเลิกทำความเพียรแบบเคร่งคัดตามหลักของลุยสีทั่วไปท่านทั้งห้ารับไม่ได้ท่านก็เลยหนีไปแต่ว่าทั้งห้าคนอย่างไรก็อยู่กันมานานรู้จักใจกันดีก็น่าจะฟังกันบ้างท่านก็เลยไปตามหาเนีย เอาไปตามหาก็ฝ่ายฤาษีทั้งห้าท่านคือเบญ จ, จวัคคีทั้งห้าท่านก็ก็รู้สึกผิดหวังตั้งแต่แรกเลยอะก็นัดกันว่าเออถ้าถ้ า, ท, าท่านสิทธัตถท่านศิทธัตถะตามมาหาพวกเราเราก็ไม่ต้องไปลุกรับกลับไหวนะท่านหนึ่งทำอะไรไปแล้วพิสูจน์ตัวเองไม่ได้อ่าเดี๋ก็นัดกันอย่างเงี้ยทีนี้วันหนึ่งก็เห็นท่านไปหาจริงจริงก็เดินไปก็นึก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 ปฏิบัตินักบวชไม่ควรข้องแวะท่าใช้คําว่าข้องแวะใช้ว่าเสวิตภาคือเสพไม่ควรเสพไม่ควรเสพไม่ควรติดไม่ควรไปยินดีพอใจด้วยนะไอ้เสวนาด้วยนะไม่ควรเสวนาด้วยไม่ควรเสพด้วยท่านใช้ภาษาบริวชนา น, นะเสวิตภาไม่ควรไปข้องแวะอที่สุดแห่งการกระทํานั้นมีสองอย่างคืออะไรอ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 ไปทรมานอีกสุดตรงอีกด้านหนึ่งมันก็จะเกิดตัวอะไรตัวปฏิเสธตัวสงสัยในที่สุดทั่นก็เลยให้ละที่เรียว่าร่าง5ที่เกิดทางกายก็คือที่เราว่มามันไม่คืนคือความเพลินก่อนใช่ไหมความเพลินก็ อ, อกให้เกิดความง่วงง่ว ง, ง ก, ก, ก็ตาหนักตาหนักก็หลับแบบคุณกนกวันน่ะ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 ไม่ความเจ็บความป่วยความไม่สบายนั้นก็จะแยกออกมาหนึ่งความเกิดสองความแก่สามความตายสความสุขเศร้าหาความบำพุนเพลืวมิลัยลำพันธ์หกความไม่สบายกายเจ็ความไม่สบายใจ8ความขับแค็นใจเก้าการประสบในสิ่งที่เราไม่ต้องการ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 การเคลื่อนไหวขนาดใหญ่แด้การเคลื่อนไหวขนาดเล็กอ่าการเคลื่อนไหวขนาดใหญ่เรียกว่าธาตุสี่ไออิริบทตสี่การเคลื่อนไหวขนาดเล็กเรียกว่าอิริบุตย่อยหรือสัมปัชญะเพราะฉะนั้นหลวงพ่อเทียนเคยเลยมาเอาการเคลื่อนไหวสองอย่างนี้การเคลื่อนไหวของลมหายใจเข้าออกเป็นการเคลื่อนไหวใหญ่หรือ ย, ย, อย่อยฮคุณกหนกวันยังไม่หายง่วงเลย จง่วงแบบสวยๆนะั่งยิ้มไปง่วงไปด้วย <c ười> น่าเห็นใจมันคือมันนอนไม่หลับอ่าเห็นไหมการเคลื่อนไหวแบบใหญ่มีกี่อย่างคืออะไรวะไง ย, <c ười> ยืนเดินนั่ง น, <c ười> นอนเห็นไ้มการเคลื่อนไหนวแต่ในการเคลื่อนไหวใหญ่ๆเนี่ยมันมีการเคลื่อนไหวแบบย่อยแทรกอยู่ใช่ไหยทีเท่าไหร่โกมีเยอะเลยนะมีเป็นพันๆอย่างหายใจนี่ก็เป็นหายใจก็มี็นการเคลื่อนไหวแบบใหญ่หรือย่อย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 ที่มันถูกท่องเขาต้องการอะไรไเขาต้องกา ร, การสีเมื่อกันการสี่อย่างคือใช้อิรบบิบทสีให้สมดุลแล้วก็จะใช้สติปัฏฐานสีแล้วก็จะไปรู้จักอริยสัจสีเนี่ยต้องการสีเมื่อกันแต่มันสองสามชั้นชั้นที่หนึ่งใช้อริบทสีให้ถูกชั้นที่สองไ ป, ร, ร, ร, ป ร, 3, ไรู้จักอริยสัจสีอ่าสติปัฏฐานสีก่อนชั้นที่สมไปรู้จักอริยสัจสี แล้วท่านที่สี่ก็ไปรู้จักทำสี่ประการคือสติสมัชัญญาสมาธิและปัญญาก็สี่เหมือนกันเพราะนั่นเงี่ยของนามเนี่ยก็จะเป็นหลายชั้นะชั้นที่หนึ่งรู้เรื่องของธาตุาสีอีบท4อริยรสัจ4สติปัฏฐานสแล้ทำสี่มันก็หลายชั้นแล้วก็รู้ไปทีหลายชั้นละชั้นแต่แรกในรู้แค่อีบท4สี่ไปก่อน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 ให้เห็นว่าทุกเนี่ยมีที่ไปที่มามันไม่ได้เกิดขึ้นลอยลอยใช่ไหมโยมโยธินทุกพงองง่วงยังไม่หายเลยไหมเมื่อคืนนอนหลับไหม응ใครมานั่งฟังหลว ง, พ, าา ง, ง, งพ่ออยู่มานั่งเงงเงือกนี่ไม่ได้นะหลวงพ่อจะต้องดา่าใชหน่อยเท่านั้นให้ตื่นนะถ้ามานั่งฟังหลวงพ่อเราง่วงเหงานี่เป็นบาปหมอนะือนกันต้องไล่บาปออกไปก่อนนะฮนะเพราะนั้นร่างกายเป็นที่ตั้งหนึ่งไม่สบาย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 ข้นแข็งของสติเพราะสติสมิยะเป็นตัวที่จะเข้าไปรู้เนื้อรู้ตัวนั้นตลอดเวลาที่เราทำความเพียรเดินโคมสร้างจังหวะทั้งวันเนี่ยประการเดียวคือต้องการมาพัฒนากำลังของสติสมิยะเท่านั้นเองนะนไดยทำพิเศษนะอันนี้คือบทสรุปของธรรมจกกักรกระปวัติสูตที่สวนมาจนเช้าทั้งหมดสรุปได้แค่นี้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 วิชาอุทปิธิรู้เป็นหลักเป็นการถูกต้องตามหลักวิชาวิชาเกิดขึ้นแล้วปัญญาอุทปิธิวิชาอุทปิธิแล้วก็อะโลอุทปิธิเมื่อถูกต้องตามหลักการต่อเนื่องแล้วเกิดอะโลโกขึ้นมาคือแสงสว่างไลท์เทนเมเคือแสงสว่างขึ้นมาที่ท่านบอกว่าจะคุมอุทัปิธิยานองอุทปิธิปัญญาอุทัพปิธิวิชาอุทปิธิอาโลโกแล้วสวดธรรมจากเมื่อกี้ใช่ไหมสัําไปสมาจําได้บ้างไหมอ่า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 สงบรู้ยิ่งเห็นจริงรู้พร้อมรู้ทั่วแล้วก็เป็นเพื่อสงบเสียเย็นอันนี้แหละเรียกว่าอา น, นิสงส์ของมันนะท่านเข้ามาสรุปแต่ทำไมที่เดียสวสวดหลายรอบเมื่อกี้สวดไอ้ตัวไอ้ไอ้ไอตัวเจ้กขุ่ทวารที่หลายรอบท่านบอกว่าต้องรู้ถึงสามรอบเนะปริวัตรสามคือรู้ทุ ก, ก่อนที่มันเกิดสองขนะที่มันเกิดสามขณะที่มันดับไปแล้วรู้สามขนา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 บางคนไม่ถึงทานแค่สามสิบช้อนก็ตักมาสามสิบแปดช้อนเผื่อภาอีกเพราะฉะนั้นก็เป็นมักแปดพระภาเนี่ยมีแปดลูกนะได้มักแปดคดี ว, วันนี้ครบไหมครบนะถือวินเก้าเอามาก็ไม่ได้นับเหมือนกันนึกทึ ก, ก, ก, ก, ก, ก, อ, ก อ, อยู่นะอ่าแปดนะโอเคแสดงว่ามุกมักแปดพร้อมวันนี้นะนี่แสดงว่าจัดสรรละเพราะฉะนั้น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 นี่คือวิธีตักปาดแบบธรรมจักอาหารไม่ต้องอาหารอยู่ที่น้นเอาแต่ข้าวตักข้าวมาเพราะนั้นพอถึงเวลาปั๊บโยมทุกคนก็เข้าไปในครัวไปตักเอาข้ามาพอไม่พอแค่นั้นนะนะ <c oughs> ครบสมมติเรามีเท่าไหร่สามสิบห้าคนก็ส5มสิบห้าจานส5มิหจานหมาวามท่าทานหมดแล้วทั้งพระทั้งโยมหมดพอดีน ะ, ะถ้าเกินหรือขาดแสดงว่าพอดีไม่เป็นมชิมาปฏิปทาแล้ววันนี้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 ที่จะศึกษาเรียนรู้ร่วมกันในวันมาค่าบูชาหือธรรมจกักคอร์ดหรือธรรมจกักรทธิฤฤ์เพื่อให้เป็นไปเพื่อความาสงบเพื่อความรู้ยิ่งเพื่อความรู้พร้อมและเป็นไปเพื่อนิพานดยการทุกคนทุกท่านถ